พอนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยเขาวิก า, กาพอาจารย์ไพศาลพระเทลานุเทละเพื่อนศรธร ม, มิกทุกท่านอาจาริญธรรมแมชีและญาติธรรมทุกท่านอืในยุคสมัยของเรานี้นะอเป็นยุคสมัยที่กนะารเผยแผ่ธรรมนี้ถือว่ากว้างขวางแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดนะยิ่งกว่ายุคสมัยต่างๆ ท, ท, ที่ผ่านมา สมตั้งที่ว่าออพุทธศาสนาก็จะเจริญขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในยุคพุทธกาลกึ่งกลางพุทธกาลก็ประมาณสองพันห้าร้อยปีนี่แหละก็มีการเผยแพร่ทำมากนะอย่างที่เราก็ได้เห็นกันอยู่วิธีการต่างๆก็มีมากมายแล้วก็นักปฏิบัติธรรมในยุคนี้ก็คิดว่าน่าจะมากกว่ายุคต่างๆที่ผ่านมา การปิบัติธรรมก็มีมากทีเดียวนะนักไปบันนักไิบัติดรมทุกวันนี้นะเอาจริงเอาจังยิ่งว่าสมัยก่อนนะการเผยแพร่ธรรมในรูปของหนังสือต่างๆก็มีมากซีดีก็มีมากครูบาอาจารย์ก็มีมากนะมีกองทัธรรมนีสิ่งต่างๆเยอะนะเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรมนี้เยอะมาก ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนะวิธีการต่างๆก็มากไปด้วยนะวิธีการรูปแบบต่างๆก็มีหลากหลายรูปแบบการไปเผยแพร่ทําในต่างประเทศนี้ทุกวันนี้ก็ถือว่าชาวต่างประเทศนี้สนใจกันมากเนาะโดยเพราะอในสายวิชาท่านก็ถือว่าทํางานในจุดนี้ได้ประสบความสําเร็จอย่างเป็นอย่างดียิ่งนะในการเผยแพร่ไปใน ยุโรปอเมริกาออสเตรเลียหรือในทวีปต่างๆมากมายแนะม้แต่ตัวหลวงปร่ชาเองท่านก็ยังเคยนะในยุคล่กแรกอาจารย์สุมเมโทก็ไปอยู่ที่อังกฤษนะแล้วก็ไปสร้างวัดที่นั่นแล้วก็นิมนต์หลวงปร่ชาไปนะหลวงปร่ชาไปอยู่นั่นแล้วก็ไปบินรบาดนะบินรบาดปรากฏว่าก็โดนตำรวจจับนะ แล้วก็ต้องอธิบายฟังว่าวิณธบาตนี่นะที่โดนจับเพราะอะไรท่านบอกว่าเนี่ยตํารวจบอกว่าเป็นการขอทานนะท่านบอกว่าไม่ได้มาขอทานหลอกเพราะว่าในเมืองในก็ห้ามมีการขอทานกันขอทานเนี่ผิดกฎหมายแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่อันนี้มันเป็นวิธีการธรรมเนียมเป็นประเพณีของพุทธศาสนาที่พระก็ต้องมาบินธบาตกันเป็นการโปรดญาติโยมไม่ใช่เป็นการขอทาน นะก็คือการเผยแพร่ในยุคนั้นก็เป็นความยากลำบากในยุคแรกๆแม้แต่จ้าสุเมโตก็ยังเคยโดนตารวจจับไปเลยนะก็ต้องต่อสู้ในชั้นศาลถึงเรื่องการบินาบากนี่แหละว่าไม่ใช่เป็นการมาขอทานกันในสุดท้านั้นก็ยอมรนะับในการปฏิบัติกิจของพระสงฆ์ไทยสนะินะ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าการเผยแพร่ทำในยุคนั้นก็เป็นการที่เรียกว่า ยากลำบากทุกวันนี้ก็มีการยอมรับกันได้มากขึ้นนะและการบินบาทในหลวงพระชาบอกว่าออไม่ได้ไปบิณฑบาตเอ า, อาหารเนาะไปบิณฑบาตเอาคนมากกว่านะเพราะนั้นถ้าหากว่าทางประเทศทุกวันนี้นะการไปบัติธรรมนี่ก็ถือว่าเขาถือว่าเขามีความเป็นคนที่มีความภูมในะิใจในพุทธศาสนานะพระยิ่งนักบวนพุทธศาสนาก็ยิ่งจะนะฉายแสงเจิจ้าลัที่แท้จริงนะ ยิ่งการบัตรทาไปแล้วเนี่ยมันเป็นการที่เรียกว่าสามารถที่จะทําให้ออกจากความทุกข์ได้นะเป็นสิ่งที่ยอมรับกันเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นการที่เรียกว่าไม่ว่าจะศาสนาไหนะหรือว่าผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่ทุกคนถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็ออกจากความทุกข์ได้ทุกคนนะเป็นสิ่งที่ว่าเป็นสากลนะสากลก็มีคนทามัยสไตล์ว่าเออ ไสยเนี่ยจะนับถือศาสนาอะไรนะถ้าสนใจจะนับถือศาสนาอะไรคือไอ้สายนี่จริงๆแล้วก็ยังไม่มีศาสนาอะไรที่จริงๆหรอกไอสายบอกว่าจะนับถือศาสนาอะไรสักอย่างก็คือนับถือผพุทธนา้นเองนะก็เป็นศาสนาที่เป็นสากลนะเป็นศาสนาของจักรวาลนะเพราะนักผู้ใดที่ปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วนะในผู้ธศาสนานี่ก็จะเอาจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆก็แล้วแต่นะ แต่การเผยแผ่ทำน่ะทุกวันนี้ก็มีอยู่มากมายหลายๆวิธีการนะบางคนก็เลยงงเออเราจะแบบแบบไหนดีเนาะแบบนั้นดีหรือแบบนี้ดีก็เลยมีการช้อปปิ้งธรรมะ ก, กันมากมายนะทุกวันนี้นะบางคนไปบัตรวิธีนี้แล้วก็ไม่ชอบใจก็เปลี่ยนวิธีอื่นมากมายนะอันนี้ก็ทําให้บางคนก็งงนะในตรงนี้นะจริงๆแล้วถ้าไปบัตรทำนะ ไปบัตรโดยวิธีใดก็ได้ถ้าเราไปบัตรแล้วรู้สึกว่าอความทุกข์เราลดน้อยลงนะกิเลสในใจเราลดน้อยลงนะเช่นความโกรธนะความห ง, งุดหงิดความขัดเกืองเราน้อยลงนะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะก็ตรงกับจริตของเราแล้วแต่ถ้าไปบัตรทำแล้วรู้สึกว่าเออกิเลสเรารู้สึกมากขึ้นความโกรธเรามากขึ้นนะหรืออความทุกข์เรามากขึ้นอันนี้ก็อาจจ ะ, ะไม่ตรงกับจริตของเราเนะี่ย ครัน้นี้เราจะดูได้อย่างไรนะว่าเออธรรมะตรงไหนนะที่ทุกวันนี้มีคนสอนกันมากมายเนี่ยจะเป็นคําสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้านะหรือหนังสือธรรมะต่างๆอนะซีรีต่า ง, างๆนี่เผยแพร่กันมากมายนะอะไรถึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆนะก็มีลักษณะของการตัดสินธรรมวินัยอยู่นะว่าธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นไปตามลักษณะอของธรรมวินัยนี้นะ ถ้าไม่ถูกต้องก็คงจะไม่ใช่หรกลักไหนตัดสินก็ือคือว่าเมื่ อ, อปฏิบัติทำแล้วน ะ, ะถ้าหากว่าทำอันใดนะที่ปฏิบัติไปแล้วนะหรือประพฤติไปแล้วเนี่ยเป็นการทาใหนะ้ความกำหนัดของเราเนี่ยไม่ได้คลายออกนะมีความกำหนัดเพิ่มขึ้นปฏิบัติไปแล้วนะ ก็ยังมีความทุกข์นะมีความทุกข์อยู่นะหรือไปบัติไปแล้วนยะเป็นการสะสมกองกิเลสไปบัติไปแล้วนะเป็นผู้ที่มักใหญ่ไปสูงนะไปบัติไปแล้วเนะี่ยเป็นผู้ทีนะ่ไม่มีความสันโดษนะไม่ยินดีในของที่มีอยู่นะไปบัติไปแล้วนะ เป็นผู้ที่ชอบคุกครีนะไปบัดไปแล้วนะเป็นผู้ที่เกียดคร้านนะไปบัดไปแล้วนะเป็นผู้ที่เลี้ยงยากนะอันนี้นะท่านบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยนะไม่ใช่คำสั่งสอนของครูพรเจ้าแต่ถ้าไปบัดไปแล้วนะรู้สึกว่าเป็นผู้ที่ความกำหนัดลดลงนะคลายจากกำหนัดได้นะ ปฏิบัติไปแล้วนะทํานั้นเนี่ยทําให้เรามีความทุกข์น้อยลงนะทําไปแล้วปฏิบัติไปแล้วเนี่ยอเราเป็นผู้ที่ไม่สะสมกองกิเลสนะปฏิบัติไปแล้วนะเราก็เป็นผู้ที่มักน้อยไม่มักใหญ่ไ่สูงปฏิบัติไปแล้วนะเราก็เป็นผู้ที่สันโดษะยินดีในของที่เรามีอยู่นะอปฏิบัติทําไปแล้วนะเรา เป็นผู้ที่สงัดจากหมู่คณะไม่คลุกคลีปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราก็มีความเพียร น, นะปฏิบัติไปแล้วนะเราก็เป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายทำนั้นวินัยนั้นอเป็นคําสั่งสอนของพระเจ้านี่หละก็คือเป็นลักษณะของการตัดสินพระธรรมวินัยว่าคําสั่งสอนเหล่านั้นนะเป็นคําสั่งสอนของพระเจ้าหรือไม่นะตรงนี้นะจึงเป็นหลักการตัดสิน เพราะเราจะเห็นว่าเออถ้าเราสามารถใช้ตรงนี้เป็นหลักได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ถึงคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆในทุกวันนี้ซึ่งมีอยู่มากมายนะเราไปบัดไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะการบัติของเราก็จะได้ไม่หลงทางนะคราวนี้นะเราก็สามารถที่จะนำลักษณาการตัดสินทำวินัยเนี่ยมามาใช้กับตัวเราเองได้นะ บางทีเราปฏิบัติทำมาระยะหนึ่งแล้วนะเป็นอย่างไรบ้างความกําหนัดยินดีพอใจในกามต่างๆนี่เราลดลงไหมความกําหนัดก็คือความใคราในกามนะความใคราในกามก็มีความคลาในความรูปในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสอเย็นร้อนอ่อนแข็งนะในใจนึกคิดมีความ พอใจไม่พอใจในความนึกคิดเหล่านั้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเออต้องสังเกตดูนะเพราะการเนี่ยก็มาจากทางต่างตาที่เรากระทบรูปเราจะได้ยินหรือเห็นบ่อยๆในแต่ละวันนะสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยเรากระทบแล้วเนี่ยเรารู้สึกเป็นอย่างไรนะความพอใจต่างๆเนี่ยเรารู้ทันไหมนะอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระทบเนี่ยเรารู้ทันไหม ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่เรานำมาเกี่ยวข้องกับการเจริญสติโดยตรงนะการที่เราสามารถเจริญสติได้เนี่ยจิตก็จะมีความว่องไวในการรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยปกติทั่วๆไปนะคนทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นผู้ที่เพลินในอารมณนะ์เมื่อกระทบรูปนะหรือได้ยินเสียงต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นก็จะเพลินไปมีความยินดีมีความพอใจ หรือไม่พอใจยาวนานนะเป็นผู้ที่เพลินไปในอารมณ์ผู้ที่เพลินไปในอารมณ์นั่นแหละเป็นผู้ที่มีความกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นอยู่นะจิตก็เพลินไปต่างๆนะไม่มีสติที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆนี่เกิดขึ้นอันนี้ถือว่าอการแบบธรรมก็ยังไม่ได้ผลนะเป็นผู้ที่ติดในอารมณ์มีความกำหนัดในอารมณ์ต่างๆคราวนี้เราก็ต้องสังเกตดูนะเมื่อเราปฏิบัติธรรมไปพอสมควรแล้วเนี่ย เราเนี่ยยังเพลินอยู่ในลมต่างๆไหมนะการเพลินอารมณ์ต่างๆนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าเราปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าไหมนะถ้าเรายัางติดในลมต่างๆนะอถึงแม้เราจะเดินจงกรมทั้งวันนะหรือนั่งสร้างอยู่วะทั้งวันต่างๆเหล่านี้แต่เรายัางติดเนอรมนะมีการกระทบอารมณ์ต่างๆแล้วเรายังไม่พอใจอยู่ ติดอยู่นานนะตรงนี้ถือว่าเรายังปฏิบัติธ ร, รมก็ยังไม่ค่อยได้ผลดีเท่าที่ควรเมื่อหลายปีก่อนก็มีนักปฏิบัติคนหนึ่งก็ตั้งใจปฏิบัติมากแต่พอโดนใครว่านิดเดียวติดอารมณ์เลยเป็นวันๆนะตอนหลังก็มามาหาอาตมามาคุยกันก็เลยบอกก็ฟังว่าเนี่ย การที่เราปฏิบัติเยอะๆมากมายนะอันนั้นก็ยังไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติจริงๆนะนั้นก็เหมือนกับเป็นการเราซ้อมซ้อมมวยเท่านั้นเองยังไม่ได้เจอครูชกจริงๆนะแต่การที่เราปฏิบัติจริงๆหมายความว่าเราเวลากระทบพะลมแล้วเนี่ยเราออกจอากลมได้ไหมใครก็มาว่าเรามาดินทาเราเนี่ยเราออกจอากลมตรงนั้นได้ไหมออกจากการนะ ที่เจ้าจะอารมณ์ต่างๆได้เร็วไหมเนี่ยตรงนี้จึงเป็นการปฏิบัติธรรมมากกว่านะะพราะเขาฟังเข้าใจก็ค่อยคลายออกมานะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นบางทีปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยถ้าเราปฏิบัติไม่ค่อยถูกต้องก็ยังติดอารมณ์ได้อยู่แต่ถ้าแบบทําได้ถูกต้องแล้วนะก็จะกลายเป็นผู้ผู้ที่สังเกตอารมณ์ได้เร็วนะการที่เราสังเกตนะสังเกตอารมณ์นะสังเกตอาการของจิตได้นั่นแะหละเขาเรียกว่าเป็นสตินะ แต่เมื่อเราไม่ให้ค่ากับสิ่งที่สังเกตได้นั้นอันนี้ก็คือปัญญานปัญญาในการที่จะรู้เท่าทันในสิ่งต่างๆแล้วเราก็ไม่ไม่ไปให้ค่ากับสิ่งเหล่านั้นไม่สนใจนะเมื่อไม่ให้ค่าแล้วเขาจะอยู่ในใจของเราไม่ได้นานนะการไม่ให้ค่าคือเราสามารถจะรู้เฉยๆได้ไหมนะรู้เฉยๆได้ใจที่เป็นกลางนะความเป็นกลางนี่แหละมันจะทําให้เราไม่ติดในอารมณ์ต่างๆได้นะและเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดนะที่จะไม่เพลินในอารมณ์ต่างๆแล้วก็ อถึงซึ่งความทุกข์ได้โดยเร็วก็คือการรู้เฉยนั่นเองนะแล้วปฏิบัติทําไปแล้วเนี่ยเรายังอมีความทุกข์อยู่ไหมนะบางคนปฏิบัติทําแล้วก็มีความทุกข์อยู่ก็มีนะความทุกข์นี่ยก็ยังมีมากการที่เรามีความทุกข์ต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราอมีการทีศเราจะไปเอาไปมุ่งหวังอในการปฏิบัตินั้นอยู่เยอะ เป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะเอาดีปฏิบัติด้วยตัณหาด้วยความอยากได้ไปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะต้องได้ผลอย่างนี้อย่างนี้นะอ่พอไม่ได้ผลอย่างที่เราหวังเราก็มีความทุกข์อีกอยากจะให้ดีถาวอนนะคําว่าดีถาวอนไม่มีในโลกนะเพราะทุกอย่างมันก็เป็นไปนตามหลักของอนิจจังซึ่งมีแต่ความไม่เที่ยงเท่านั้นเองนะ บางทีเมื่อวานเราปฏิบัติดีเออมีสติดีจังวันนี้เราทําให้ไม่ดีเราก็เป็นความเราก็มีความทุกข์ซะแล้วนะเพราะฉะนั้ น, นนักปฏิบัติธรรมก็มีความทุกข์แบบนักปฏิบัติธรรมอเป็นการปฏิบัติพืชที่จะเอาต่างๆอยากได้อยากมีอยากเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมดังนั้นพระลมเทียนยังบอกว่าอยาอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีมก็คือปฏิบัติเนี่ยอย่าไปอยากได้อะไรเขานะ ให้รู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะเพราะเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้หรอกนะที่จะให้เขาดีตามใจเราถ้าเราบังคับบัญชาก็ได้นะทุกคนเป็นพระอรหันต์หมดแล้วนะต้องดีตามใจเราทุกคนใ้บังคับได้เนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดเลยนะแต่เขาก็แสดงแล้วว่าเราบังคับเขาไม่ได้นะเขาก็แสดงความไม่เที่ยงเราเห็นนะบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีนะ ฟุงงซ่านหงุดหงิดลำคาญง่วงนอนเบื่อหน่ายทั้งหลายแหละคือการความเป็นจริงที่เขาแสดงออกมาให้เราเห็นแล้วว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้แต่เรายังคิดที่บังคับบัญชาเขาได้อยู่คิดว่าเขาเที่ยงอยู่แล้วก็มีความทุกข์เองนะวันการปฏิธรรมนี้ก็ต้องเข้าใจในสภาวะจิตของเราเองว่าเป็นแบบ น, นั้นเองนะแล้วความทุกข์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วนะรนะ่างกายเรากระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆนะ เรานั่งนานๆแล้วก็ปวดเมื่อยนะหรือว่าเราหิวเราง่วงต่างๆเราเนี้ยก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าเรา ไ, ไปให้ค่ากับเขาไหมนะถ้าเราให้ค่าแม้กระสิ่งเล็กๆน้อยๆนะเราก็มีความทุกข์แต่ถ้าเราไม่ให้ค่ากับสิ่งต่างๆเราก็ไม่ทุกข์นะอยู่ที่เราให้ค่าหรือไม่ให้ค่าเท่านั้นเองนะจริงๆเราเราสามารถนั่งได้หลายๆชั่วโมงเราก็นั่งได้นะแต่เราคิดว่าเออ มีเวลาแค่นี้เราก็นั่งเท่านี้นะพอเรานั่งเกินเรารู้สึกมีความทุกข์แล้วนะเพราะจิตนะของเราไม่ได้ฝึกในการยอมรับสิ่งต่างที่จะเกิดขึ้นนะหรือบางทีนะเราตั้งความหวังอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะพอเราผิดหวังปุ๊บเราก็มีความทุกข์ในทันทีเลยนะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ว่าจิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับในสิ่งต่า ง, างได้ง่ายๆนะถ้ายาเรายอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยอมรับหมดทุกอย่างแล้วนะมันก็ไม่ทุกข์นะมันก็น้อยลงไป เนี่ยก็เกิดจากการที่เรานะเข้าใจไหมในกฎของนิจังดกขังนาตาถ้าเราเข้าใจในหลักของมระไตรักษนะเราจะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยใจที่มันก็ไม่ทุกเลยนะแต่ถ้าคนใดไม่ยอมรับในตรงนี้ก็มีความทุกข์ตลอดนะเพราะพระไตรักนี้แสดงตลอดเวลาอยู่แล้วนะมันเป็นกระแสที่ไหลไปตามสายธรรมอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเรามีใจยอมรับในตรงนั้นหรือไม่นะ <c oughs> แล้วก็เราปฏิบัติกันเนี่ย ะมันสะสมกองกิเลสไหมนะอืบางคนเนี่ยบางกฎที่เราสังเกตได้ดีนะเออไปบัตรแล้วกฎเก่งมะเก่าก็มีนะอปวดเก่งมะเก่าต่างๆเราเนี่ยมีความโลภเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นมะเก่เอาอกีกอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะอันนี้ก็แสดงเราสะสมกองกิเลสแล้วนะอ่าตรงเนี้ยพรู้วิจารณ์บอกว่าอเราออกมานะจากการที่เป็นผู้มีมาเป็นผู้ที่ไม่มีนะอย่างพระองค์นี่ก็มาจาก พระราชวังแต่ท่านก็มาอยู่ตามป่าตามเขาตามโคนไม้ขึ้นมาจากมีมาสู่ความเป็นผู้ไม่มีนะเนี่ยเป็นการที่เราไม่สะสมความกิเลสกันก น, นะแต่ถ้าเรามาจากไม่มีมาเป็นผู้มีนี่แหละมันกลายเป็นการสะสมความกิเลสนะความกิเลสก็มาในรูปต่างๆเยอะแยะนะอราคะโทสะโมหะนะหรือความโลภความโกรธความหลงเนะี่ยยิ่งใครปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่าเออเราโกรธเก่งกว่าเก่านี่แหละแสดงว่าเราสะสมความกิเลสแล้วนะ อหรืออ่าอยู่ไปข้าวของเครื่องใช้เนี่โอ้ทําไมมีมากกว่าเก่ายัางไม่จําเป็นนะขอไม่จําเป็นนะเราก็มีมากกว่าเก่านะออันนี้ก็สะสมกองกิเลสนะเพราะนั้นถ้าเรามีอะไรเยอะเกินไปแล้วก็มาไว้กับกองกลางเนี่ยก็ได้ประโยชน์ในตรงนี้มากกว่านะกองกิเลดเราก็จะได้ลดน้อยลงไปด้วยนะอเมื่อไปบัด ไ, ไปแล้วเนี่ยเรามีความอ่ามักใหญ่ไฟสูงไหม มีความอยากใหญ่ไหมนะตรงนี้ก็ต้องสังเกตดูเออเราอยากจะใหญ่อยากจะเป็นคนที่ให้คนเ็าเคารพนับถือเรามากไหมนะนนี้นะ่แสดงว่ากิเลสของเราก็มีมากขึ้นอีกแล้วเนาะอันนี้มันเป็นความเป็นตัวเป็นตนของเรานะอัตราตัวตนเราก็สูงขึ้นไปอีกนะมานะก็สูงขึ้นไปอีกนะว่าเราดีกว่าเขานะเราเรวกว่าเขาต่างๆเหล่านี้เป็นมานะทั้งนั้นนะ การปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นไปเพื่อความละอัตตาละสกักยัติละความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายนะเบางตัวตนเราก็ต้องเล็กลงนะถ้าทําแล้วตัวตนเราใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เราก็ไม่ได้ไม่คงไม่ได้ผลดีในตรงนั้นนะเหมือนกับต้นข้าวนี่แหละต้นข้าวนี้นะถ้ามีรวงข้าวเยอะก็จะอ่อนน้อมลงมานะแต่ถ้าต้นข้าวที่ไม่มีรวงข้าวก็จะชูชั น, นะนนะเพราะั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วนะตัวตนเราก็จะไม่ใหญ่ขึ้นนะ ไม่พองไม่ย่าโสไม่ยิงพยองไม่คิดว่าเราดีกว่าเขาเราวิเศษกว่าเขานะหรือไปฏิบัติธรรมแล้วเออเราเก่งกว่าเขาเนาะเอเราเดินจงกรมได้ห้าชั่วโมงเขาเดินได้หนึ่งชั่วโมงนะเราเก่งกว่าเขาอันนี้ก็เป็นอนะ่ความเป็นตัวตนทั้งนั้นเลยนะที่มันขึ้นมาทั้งนั้นเป็นมานะนะมันไม่ได้ลดกิเลสอะไรลงในใจเรานะตรงนี้ก็ต้องสังเกตด้วยเออปฏิบัติทํามแล้วเป็นอย่างไรบ้างอนะตัวตนเราเป็นอย่างไรใหญ่ขึ้นไหม อ่าเนีน่ยใช่ไเราก็เปิบัติไปแล้วเนี่ยอ่าเรามีความสันโดษในสิ่งที่เรามีอยู่ไหมนะอ่าบางทีเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ก็มีนะคนมีความทุกข์ในตรงนี้กันมากเลยนะเพราะอยังในทุกวันเนี่ยก็ว่าเศรษฐีเนี่ยบางคนเนี่ยก็ยังจนอยู่นะมีรอยล้านก็ยังจนอยู่เพราะว่าไม่พอ น, นั่นเองนะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พอใจในสิ่งตัวเองมีอยู่นะ เอนะ่รถยนต์ก็ไม่ไม่ยินดีที่ตัวเองมีอยู่นะเออเพื่อนมีรถเบนซ์เรามีรถตโตโยตา้าเราก็ไม่พอใจนะมันก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะสมัยนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือออกใหม่นะเ อ, อเพื่อนก็มีโทรศัพท์รุ่นใหม่ใหม่กันนะเ อ, อเราไปรุ่นเก่ารู้สึกเอออาจจะอับอายนะอันนี้นะ <c oughs> ตรงนี้เป็นความที่ไม่สันโดษทั้งนั้นนะ <c oughs> S 1> <S 1> เพรา ะ, ะนั้นความสันโดษก็หมายความว่าไม่ใช่เราไปเก็บเนืเก็บตัวอะไรแต่เป็นความที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไหมนะกุติที่เราอยู่เนี่ยมีความพอใจไหมนะไม่ต้องไปหากุติที่ดีกว่านั้นแล้วนะหรือเห็นอะไรที่ดีกว่าก็อยากก็ได้ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละก็คือความไม่สันโดษนะเมื่อมันไม่สันโดษแล้วโลภะตัณหาต่างๆก็ตามมาเยอะแยะเลยนะเราก็ต้องสังเกตในตรงนี้ว่าเรามีความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไหมนะ ตรงนี้เราจะได้ใจเราจะได้อ่าปล่อยวางนะแล้วก็พอใจในสิ่งต่างแล้วก็ยอมรับในสิ่งต่างได้ง่ายขึ้นนะครั้งนี้ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราอ่ามีความคลุกคลีไหมนะอันนี้จะสังเกตได้ง่ายนะเอ่าปฏิบัติไปแล้วเราอรู้สึกเหงานะเหงา <c oughs> อยากจะไปหาเพื่อนคุยต่างๆเหล่านี้นะ การไปหาเพื่อนคุยนะมันจริงๆแล้วมันก็ไม่จําเป็นนะเพราะว่าเราได้มีการพบเพื่อนนะ่อยู่เยอะแล้ววันๆหนึ่งนะมามาอ่ทานอาหารรับประทานอาหารกันก็ได้พบกันอยู่แล้วนะไม่ใช่ไม่ได้พบนะแต่เราก็ยังไ ม, ไ, มไม่พอใจเพียงแค่นั้นนะเราก็อยากจะพูดอยากจะคุยต่างๆเพื่อที่จ ะ, ะแก้ทุกข์ในตัวเราเองนะเพื่อที่จะให้เราหายเหงาหายเครียดนะ่ะ อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเรามีการคุกคลีนะการคุกคลีนี่มันเขาเรียกว่าตรงนี้นะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องลักษณะการตัดศีลประธรรมในเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบอกไว้แล้วว่าสิ่งนี้ยมันเป็นอุปสรรคของผู้ที่ไปบัติธรรมใหม่ๆนะก็มีเรื่องการคุกคลีเนี่ยที่ท่านห้ามไว้เลยนะว่าไม่ให้ครุกคลีกันอ่นั่นเลือนว่างนั่นโคนไม้นั่นเงื้อมเขาอ่านั่นถ้ำนะ่ะให้ไปอยู่ต่างคนต่างอยู่นะ ะ <c oughs> ยิ่งเราคุกคลีเี่ยก็จะยิงชานะ้ะโดยเพราะการเจริญสติเจะต้องมีความต่อในบลุกโซ่นะการต่อเนื่บลุกโซก็หมา ย, มายกว่าอ่าเหมือนกับเราจะสีไฟให้เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องอ่ใช้ไม้สีเน่สีไปเรื่อยๆนะสีไปเรื่อยๆสีให้ต่อเนื่องกันนะถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นเกิดเป็นไฟขึ้นมาแต่ถ้าสีไปแล้วก็หยุดสีแล้วก็หยุดมันก็ไม่เกิดไฟนะ เพราะการปฏิบัติธรรมมันก็ต้องให้ต่อเนื้อปลูกโซ่นะแต่เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเรามีความเบื่อความเหงาความเครียดแล้วก็ไปหาเพื่อนไปคุยกันอย่างเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตรักใหญ่เพราะามันมีการต่อเนื่องแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ดูทุกครั้งะพอการไปคุยนี่เราก็ขาดสติแล้วนะคุยปุ๊บขาดสติเลยนะเราต้องมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งก็เหมือนต้องเริ่มสีไฟใหม่ทุกครั้งตรงนี้มันก็ไม่ต่อเนื้อปลูกโซ่นะการปฏิบัติธรรมก็จะไม่ก็ได้ผล เพราะฉะนั้นการคุกรีนี่นะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ในการปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องเ อ, อสังเกตในตรงนี้ไหมว่าเป็นแบบนั้นไหมนะจริงๆแล้วถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วมันก็จะไม่เหงาไม่เครียดต่างๆหรอกนะไม่เบื่อ ด, ด้วยไม่ต้องการไม่อยากคุยกับใครเลยนะเพราะวันมันอยู่ความรู้สึกตัวเมื่ออยู่ความรู้สึกตัวมันก็มีความสุ ข, ขของมันอยู่แล้วนะเนะไม่ต้องไปหวังผลไม่ต้องได้อะไรหรอกแค่รู้ตัวมันก็เป็นความสุขแล้วนะ เนี่ยมันก็ไม่อยากที่ไปเกี่ยวข้องกับใครอยู่แล้วนะถ้าปฏิบัติได้ตรงนี้มันก็เออจะเข้าใจในต ร, ตรงนี้ว่าเราสามารถที่อยู่คนเดียวได้นะไม่ว่าจะอยู่คนเดียวในป่าในเขาอหรือแม้แต่อยู่ในที่วุ่นวายขนาดไหนก็อยู่ได้นะมันไม่ได้ไปอยู่แบบคุกคลีไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บโอ้ต้องไปคุยกันไม่จาเป็นนะต่างคนต่างที่ทําหน้าทิ้งตัวเองก็ไม่ใช่ว่าต้องคุยกันนะตรงนี้เราได้ไปฏิบัติได้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นะ ว่าเราไปทํางานที่ไหนก็แล้วแต่ในลุงครัวหรือที่ไหนก็แล้วแต่แลว้วก็สามารถที่จะไม่คุกนะรีมาปฏิบัติตรรเนื่องลูกโซ่ได้ตลอดเวลาอนะปฏิบัติแล้วเนี่ยเรามีความเกลียดค้านไหมนะอตรงนี้เราก็สังเกต ด, ดูนะส่วนมากผู้ที่ปฏิบัติแล้วไม่ค่อยได้ผลเนี่ยก็จะมีความเกลียดค้านอยู่ไม่ค่อยที่จะอ่านะตั้งใจเท่าไหร่นะเป็นผู้ที่เกลียดค้าน และนอกจากเกียรติคันในการปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะเกียรติคันในการงานต่างๆด้วยนะก็พยายามหลบพยายามเลี่ยงในสิ่งต่างๆแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วนะก็จะไม่เกียรติคันในการปฏิบัติธรรมก็ไม่เกียดต้านในกิจการงานก็ไม่เกียรติคันเพราะรู้ว่าเออการงานต่างๆเราก็สามารถปฏิบัติธรรมได้อยู่แล้วเพราะการเจริญสติวิธีเนี่มันทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะในรูปแบบหรือนอกรูปแบบอยู่ที่ไหนก็ทําได้นะเอ่า กายเคลื่อนไหวใจรับรู้ไปแค่นั้นเองนะง่ายๆแค่เนี้กายเคลื่อนไหวใจรับรู้ใ่้ใจรับรู้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดๆก็แล้วแต่เพราะการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ต้องอยู่ในกุฏิเราหรือต้องอยู่ในสถานปฏิบัติใดๆต้องอยู่วัดต้องอยู่ที่ไหนอแต่การปฏิบัติธรรมก็คือปฏิทิกรายและใจอย่างเราเท่านั้นเองนะเรามีกายมีใจแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนๆก็แล้วแต่นะตรงนี้นะเราก็จะได้เอมีความเพียรกันนะไม่เกียจค้าน ครั้นี้เนี่ยปฏิบัติทมแล้วเน่เป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายไหมนะการที่เลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากนี่ก็ดูจากความเป็นอยู่ของเรานะเราพอใจในอาหารไหมนะอาหารวันนี้มีน้อยนะอาหารเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเลยนะเป็นสิ่งที่เราอ่าหน้าเบื่อน่ายต่างๆเหล่านี้นะอันนี้แสดงว่าเป็นคนเลี้ยงยากแล้วนะการเลี้ยงยากในพึ่งเป็นอุสักเป็นอย่างยิ่งนะบางคนนี่ก็โอ้ ต่างเหล่านี้นะไม่พอใจก็ไปสแสวงหาข้างนอกนะเมื่อสแสวงหาข้างนอกก็ไปติดในรถอาหารในสิ่งที่เราพอใจนี่เป็นการเลี้ยงยากเท่านั้นนะหลังนั้นจิตเราก็เริ่มจะอยู่ในตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ดิ้นรนสแสวงหาไปเรื่อยๆที่จะสนองกิเลสปัญหาของเราเนี่ยเรารู้ไม่ทันมันจ ะ, สะแสวงหาดิ้นรนไปเรื่อยเื่ยเรารู้ไม่ทันนะยิ่งพอใกล้อวบอันสานี่ก็ยิ่งดีใจมากขึ้นเออใกล้อวบอันสานะเ อ, อ่า กลจะได้ไปเที่ยวแล้วใกล้จะไปนในสถานที่เราชอบใจแล้วเนี่ยสิ่งอันนี้ก็แสดงว่าเราเนี่ยมีการดิ้นรนในตันหาต่างๆอยู่เยอะเลยนะอันนี้แหละแสดงว่าเราเป็นคนเลี้ยงยากแล้วนะเพราะฉะการที่เราเป็นคนเลี้ยงยากหรือเลี้ยงง่ายก็คือเราอยู่ตรงไหนก็ได้สถานที่เราอยู่ยังไงก็ได้อ่าเป็นอย่างไรเราก็ยอมรับหมดทุกอย่างอาหารการกินเป็นอย่างไรก็ได้หรือเราเป็นคนมีหน้าที่กิจการงานใดที่ได้รับการมอบหมาย เราก็ทําได้นะนี่เรากการเป็นผู้ที่เรียงง่ายนะอะเมื่อผู้ใดที่สามารถที่จ ะ, ะประพฤติสิ่งต่างเหล่านี้ได้ถูกต้องนะก็มีแต่ความเจริญหนทางที่เราจะเจริญเป็นฝ่ายเดียวจะไม่ตกต่ําไปในอุปศนทั้งหลายแหล่นะซึ่งเป็นความเนินชานะเพราะการที่เรามาปฏิบัติธรรมในตรงนี้ถือว่าเรามีความโชคดีแล้วนะที่ได้อยู่ในยุคการแห่งการปฏิบัติธรรมในช่วงนี้ <c oughs> เพราะว่าอะไรเ <c oughs> พราะคนจริงๆเนี่ยอยากจะมาอยู่วัดเนี่ยมาอยู่เยอะเลยนะบางคนก็มาไม่ได้ <c oughs> ปีนึงก็จะมาได้ไม่เพียง <c oughs> อาจจะวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่เท่านั้นนะแต่เรามาอยู่ได้สามเดือนนี่ก็ถือว่าเราโชคดีมากแล้วนะเราว่าใส่เวทีนี่แหละปฏิบัติทําให้เต็มที่นะอเมื่อทําได้เต็มที่แล้วเนี่ยจะได้ผลหรือไม่ได้ผลไม่ใช่หน้าทิ้งเราหน้าทิ้งเราเพียงแค่ทําให้เต็มที่เท่านั้นเองนะนะ เหมือนกับต้นไม้เราไม่มีหน้าที่ที่เป็นเร่งลั่นให้เขาออกดอกผลแต่เรามีหน้าที่เพียงแค่ลดน้ำต้ น, ตนไม้เท่านั้นเองนะเราทําเหตุให้ดนะีอนาคตก็เป็นสิ่งที่ดีเองนะปีบันนี้เราทําเหตุให้ดีอนาคตก็ต้องมีผลที่ดีด้วยนะเพราะะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมีความก้าวหน้าเจริญในการบฏิธรรมและความทุกข์เราก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะเราจะถึงพระนิพพานในเวลาไม่นานนี้ในชาติปัจจุบันนี้นะก็ขอทุกท่านนะถึงเรื่องความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกทุกท่านเถอด